สี <Book> ่นัลกุที่โรงเรียนปาร์ตสัดเราอยู่ที่ไหนมานเมียกระดุนนามุเราอยู่ที่โรงเรียนมานัมปาร์ตสัลลลวุนามุ เรากำลังเรียนหนังสือมากูปาติชชปะบิดตนดินั่นคือนักเรียนบอลูรบดิปิลเลลุกนั่นคือคุณครูอเมอธยาปะกุราลูกนั่นคือชั้นเรียนอดีตระกติ เรากำลังทำอะไรอยู่มนามีเอมเชสตูนามุเรากำลังเรียนหนังสือมน้ำเนธชุกุตูมุเรากำลังเรียนภาษามน้ำวกภาษาเนธชุกตูนามุดิฉันเรียนภาษาอังกฤษนี English, นูอิงลิชเนธชกุนตูนานุ คุณเรียนภาษาสเปนนูบูสเปนิชเนีย่ยชิคเขาเรียนภาษาเยอรมันอัตนุเอรมันเนีย่ยชิคุนตาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสมานมฟรช์นเนีย่ยชิพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนมีเดนไดร อิตาลียนเนื้อกนดพวกเขาเรียนภาษารัสเซียว่าลูรัสเซียนเนืุ้กตารูการเรียนภาษานั้นน่าสนใจภาษลูเนชุโกโวดมมุตเซฮกริงกาวนตนดเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆเมมู ม, มนน า, านุษย์นนจถึกอาลี่อนคุนตัมู เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆเมมู ม, มนุษย์เราต้อมาทลาดาลังนี้อนุคุณตัว น, นม